เร่งความเพียรทางใจไม่มีลดละปล่อยวางท่านพูดเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องถ้ำเนื้อผาในสถานที่ต่างๆได้อย่างคล่องปากด้วยท่าทางอันพอใจจริงๆยิ่งให้ท่านพันานาป่าพันานาเขาพันานาถ้ำพัรนาเงื้อผาด้วยแล้วทำให้ผู้สนใจในสภาพเช่นนั้นอยู่แล้วเกิดความเพลินใจไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆแล้ววาดมนโนภาพไปตามอย่างสุดซึ้งเพลินใจ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 หรือจะเป็นเวลาเรานอนหลับก็ทราบไม่ได้ตอนกลางคืนไม่ทราบว่าเป็นเวลาเท่าไหร่เสือโครงใหญ่ด้อมเข้ามาจนถึงแคร่เล็กๆที่เราพักนอนโดยไม่รู้สึกตัวเลยตื่นเช้าจึงเห็นรอยมันเราะบริเวณที่อยู่อาศัยเราปัดกวาดไว้อย่างเตือนโลง่งอะไรเดินเข้ามาต้องเห็นรอยทันทีพอเห็นรอยมันตอนเช้าข้างๆบริเวณจึงดูตามรอยมันเข้ามาที่ไหนได้ มันเข้ามาจนถึงแคร่ที่นอนอเราจริงๆไม่ได้ห่างอะไรเป็นเม็ดๆสอกๆเลยเรา ก, กะดูรอยเท้าที่มันเหยียบไว้กับแคร่ที่นอนห่าง ก, กันเพียงสอกเดียวก็ไม่ถึงมันคงจะสูดดมกลิ่นคนดิบดีแล้วค่อยถอยออกไปเวลาไปก็กลับออกไปทางเก่าที่มันเข้ามานั่นเองไม่เที่ยวเดินตามบริเวณรอบๆที่เราพักอยู่เลยพอเห็นรอยมันที่กล้าหาญเข้ามาจนถึงตัวคน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 จะได้ชมสนิทใจทั้งพระท่านก็ไม่รู้สึกตัวและไม่กลัวอันเป็นการเขย่าวขวัญโดยผิดความมุ่งหมายที่มันอุตส่าห์มากราบเยี่ยมทั้งทีพอได้ว่าอย่างสมใจแล้วก็รีบถอยออกไปทันทีกลัวท่านจะตื่นและกลัวซึ่งอาจแสดงอาการหรือร้มนวิชาคาถาอาคมอย่างใดอย่างหนึ่งใส่มันก็ได้พอให้เสียเส้นใจที่มันเคารพเลื่อมใสกระผมคิดว่า ควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นไม่เช่นนั้นมันคงไม่กล้าเข้ามาจนถึงที่อยู่แน่ๆท่านหัวเราะเบาและพูดว่ามันจะไปรู้ความเลื่อมใสศรัทธาอะไรกับเรานอกจากมันอาจคิดว่านี่เป็นอาหารว่างของเราหรืออะไรกันแน่เท่านั้นจึงแอบเข้ามาดูพอทราบว่าเป็นคนซึ่งเป็นสิ่งที่มันเคยกลัวมาแต่เกิดจึงรีบหลบหนีไป นับแต่วันนั้นแล้วไม่เห็นมันมาด้อมๆ ม, มองๆ อ, อ, อีกเลยจนกระทั่งเราหนีจากที่นั่นท่านว่าสัตว์พันนี้ก็แปลกเรากับมีอะไรเข้าสิ่งใจให้มันคิดอยากมาดูพระกรรมฐานที่กำลังนั่งทำสมาธิภาวนาบ้างกำลังเดินจงกรมทำความเพียรอยู่บ้างกำลังนั่งภาวนาอยู่ภายในมุ้งบ้างกำลังนอนหลับอยู่บ้างบางทีอยู่ๆตอนเช้ามันคิดอยากขึ้นมาหาเราก็ขึ้นมานั่งแบบสุนัข นั่งแล้วดูเราเอาอย่างดือด้อๆโดยไม่ทำท่าให้เรากลัวบางทีกลางคืนก็ทั้งเดินทั้งร้องครวนครางขึ้นมาหาเราอยู่ในถ้าเมื่อมาถึงแล้วก็นั่งดูเราเฉยๆแบบสุนัขนั่งเสร็จแล้วก็ลงไปโดยไม่ทำท่าทำทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรเลยแต่เราก็อดขยะดมันไม่ได้เพราะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ที่แปลกก็คือไม่ว่าตัวใดมาหาเราณนะที่ใดและเวลาใดซึ่งมีแต่ชนิดลายพาดกลอนตัวใหญ่ๆและยาวเหยียดน่ากลัวทั้งนั้นแต่ไม่ได้แสดงอาการคำรามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่น่ากลัวเลยเพียงมาดูดูเสร็จแล้วก็หนีไปไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าเราพักอยู่ในที่เช่นไรเวลาเข้ามาหาเราก็มาในลักษณะเดียวกันคือไม่ได้แสดงตัวเป็นศัตรู และพยายามจะกัดฉีกเป็นอาหารแต่มาในลักษณะสัตว์บ้านที่มีความเชื่องชินต่อคนมากแล้วจึงไม่ได้แสดงตัวเป็นศัตรูต่อเราแต่แสงตาที่มันมองมาหาเราแต่ละครั้งนั้นรู้สึกขมกล้ามากตามธรรมชาติของมันทั้งที่มันไม่ได้ใช้แสงตาสัมปยุตไปด้วยความกริ้วโกรธหิวโหวยจะตะครุบเรากินเป็นอาหารเลย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 อย่าขึ้นมานั่งเล่นให้พระกลัวท่านกําลังภาวนาเดี๋ยวตกนรกนะเวลาจะไปมันโดดปุกเดียวแล้วก็หายเงียบไปเลยมันคงรู้เรื่องของพระอยู่บ้างผมว่าถ้าไม่รู้มันจะขึ้นมาหาอะไรในถ้ำที่เราอยู่เพราะถ้ำบางแห่งก็โล่งโถงไม่น่าอยู่และไม่น่าขึ้นมาสำหรับสัตว์พันนี้ซึ่งชอบอยู่ในที่กาบังลบซ่อนเก็บเนื้อเก็บตัวตามนิสัย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 ท่านอาจารย์เคยนึกอยากให้มันขึ้นมาหาบ้างหรือเปล่าท่านตอบว่าจะคิดอยากให้มันขึ้นมาหาประโยชน์อะไรเล่าแม้มันมาชั่วขณะเท่านั้นก็กลัวมันแทบจะตายและเหงื่อแตกโชคอยู่แล้วถ้ามันคืนอยู่ที่นั่นนานๆไม่ยอมลงไปน่ากลัวไข้จับสันเล่นงานในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยใครจะคิดขนองดื้อด้านอยากให้เสือขึ้นมาหาไม่เข้าเรื่องเข้าราวอย่างนั้นเล่าแล้วท่านหัวเราะนิดหนึ่ง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 ดังนี้